วชวัชวัตหมวดว่าด้วยพระปิลินทวชวัตเป็นต้นหนึ่งปิลินทวชวัตเถ ร, ระปทานประวัติในดิตชาตของพระปิลินทวชวัตเถระพระปิลินทวชวัตเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนเฝ้าประตูอยู่ที่กรุงหงษ์สวดีได้รวบรวมโภกสมบัติเก็บไว้ในเรือนมากมายนับไม่ถ้วนครั้งนั้น ข้าพเจ้านั่งอยู่ในที่สงัดทำใจให้ร่าเริงนั่งอยู่ในปราสาทที่ประเสริฐได้คิดอย่างนี้ว่าโภคกสมบัติของเรามีมากภายในบุรีของเราก็มั่งคั่งแม้พระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินพระนามว่าอานอน์ก็ทรงเชื้อเชิญเราพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นพระมุนีเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้และโภคกสมบัติของเราก็มีอยู่ เราจะถวายทานแด่พระศาสดาพระโอรสของพระราชาพระนามว่าปทุมะทรงถวายทานอย่างประเสริฐคือช้างเชือกประเสริฐบัลลังก์และพนักพิงประมาณไม่น้อยในพระชินเจ้าแม้เราก็จะถวายทานในพระสงค์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดทานอย่างประเสริฐที่ยังไม่เคยมีใครถวายเราจะเป็นผู้ถวายคนแรก ข้าพเจ้าคิดถึงทานหลายอย่างที่มีผลเป็นสุขในเพราะการบูชาก็ได้เห็นการถวายบริคารเป็นเหตุทําความคิดของข้าพเจ้าให้เต็มได้ข้าพเจ้าจักถวายบริคารในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดการถวายบริขารที่คนเหล่าอื่นยังไม่เคยถวายข้าพเจ้าจักเป็นคนแรกการถึงพร้อมแห่งทานวัตถุขณะนั้นข้าพเจ้าเข้าไปหาช่างจักสารแจ้งให้ทําร่ม รวบรวมร่มได้หนึ่งแสคันรวบรวมผ้าได้หนึ่งแสนผืนรวบรวมบาตรได้หนึ่งแสใบจ้างช่างให้ทํามีดโกนมีดเล็กเข็มและมีดตัดเล็กที่สมควรแก่สมณบริโภคแล้วให้วางไว้ภายใต้ร่มจ้างช่างให้ทําใบพัดตาลพัดขนปีกงกยุงแจจามอนผ้ากรองน้ําภาชนะน้ํามันให้สมควรแก่สมณบริโภค แจ้งแช่งให้ทำกล่องเข็มผ้าอังสะประคตเอวและเชิงรองบาทซึ่งทำอย่างสวยงามให้สมควรแก่สมณะบริโภคให้บรรจุเพศจาจนเต็มภาชนะสําหรับใส่ของบริโภคและบรรจุขันสำริดให้วางไว้ภายใต้ร่มให้บรรจุว่านน้ำหญ้าคาชะเอมดีปลี๊พริกผลสมอและขิงสดจนเต็มภาชนะทุกอย่าง แจ้งแช่งให้ทํารองเท้าเขียงเท้าผ้าสําหรับเช็ดน้ําและไม้เท้าคนแก่อย่างสวยงามให้สมควรแก่สมณบริโภคแจ้งแช่งให้ทํายารักษาไขาย้ยาหยอดตาไม้ป้ายายาตากระบอกกรองน้ําลูกกุญแจและกล่องลูกกุญแจซึ่งเย็บด้วยได้ห้าสีสายโยกกระบอกเป่าควันไฟตะเกียงตั้งคนโทรน้ําและผ อ, อบ ให้สมควรแก่สมณบริโภคเขาแจ้งแช่งให้ทำแหนบกันไกวัตถุขัดสนิมและถุงสำหรับใส่เพศัตให้สมควรแก่สมณบริโภคเขาแจ้งแช่งให้ทำเก้าอี้นอนต่งและบรรลังสีเท้าให้สมควรแก่สมณบริโภคแล้วให้ตั้งไว้ภายใต้ร่มแจ้งแช่งให้ทำฟูกยัดด้วยขนสัตว์ฟูกยัดด้วยนุ่นฟูกต่างและหมอนทำอย่างดี ให้สมควรแก่สมณบริโภคจ้าจ้งๆงให้ทำจุนสำหรับอาบที่พึ่งน้ำมันที่หุงด้วยมือและเตียงที่ปูด้วยแผ่นกระดานเล็กๆอันสะอาดพร้อมด้วยเครื่องลาดเสนาชนะผ้าเช็ดเท้าที่นอนที่นั่งไม้เท้าไม้ชำระฟันกระเบื้ององหอมสำหรับไล้ทาศีสะไม้สีไฟตั้งแผ่นกระดานฝาบาตถุงบาต กระโบยตักน้ำเครื่องอบสีผงย้อมผ้ารังย้อมผ้าไม้กวาดผ้าอาบน้าผ้าอาบน้ำฝนผ้านิสีธนะผ้าปิดฝีผ้าอันตรวาศกผ้านุ่งผ้าอุตราสงผ้าห่มผ้าสังคาติผ้าพาดบ่าญานัตยาบ้นปากน้ำส้มน้ำปลาน้ำพึ่งนมส้มน้ำปลานะที่พึ่งผ้าเก่า ผ้าเช็ดปากได้สิ่งใดชื่อว่าเป็นของขวรให้ทานมีอยู่และสมควรแก่พระศาสดาข้าพเจ้ารวบรวมสิ่งนั้นทั้งหมดได้แล้วจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าอานน์ครั้นเข้าเฝ้าพระราชาผู้นำหมู่ชนผู้มีประโยชน์ยิ่งใหญ่ถวายบังคมด้วยเสียงเกล้าวแล้วเรียกราบทูลคานี้ว่าการขอโอกาสถวายทานเราทั้งสองเจริญเติบโตมาด้วยกัน มียศร่วมกันร่วมสุขร่วมทุกข์และประพฤติคล้อยตามกันขอเดชะพระองค์ผู้ปราบฆ่าศึกทุกใจที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ยังมีอยู่ขอเดชะพระองค์ผู้ขติยราชถ้าพระองค์สามารถก็ขอได้ทรงพระกรุณาบรรเทาทุกนั้นด้วยเถิดพระราชาตรัสว่าทุกของท่านก็เป็นทุกของข้าพเจ้าด้วยเราทั้งสองมีใจตรงกันท่านย่อมรู้ว่าสาเร็จ ถ้าท่านจะพึงเปลื้องทุกนั้นขอเดชะพระมหาราชขอจงทรงทราบทุกขของข้าพระพุทธเจ้าซึ่งบรรเทาได้ยากพระองค์บรรลือมากไปทัพนี้พระองค์ยังสละได้ยากคือสิ่งที่มีอยู่ในแวงแควนประมาณเท่าใดชีวิตของข้าพระพุทธเจ้าประมาณเท่าใดถ้าพระองค์ต้องการสิ่งเหล่านี้ข้าพระพุทธเจ้าก็จกให้อย่างไม่หวั่นไหวขอเดชะพระองค์ทรงบรรลือแล้ว การบันลือมากนั้นผิดข้าพระพุทธเจ้าจากทราบพระองค์วันนี้ว่าทรงดำรงอยู่ในธรรมทั้งปวงท่านบีบคั้นหนักนักเมื่อข้าพเจ้าจะให้ท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ข้าพเจ้าถูกบีบคั้นท่านปรารถนาสิ่งใดจงบอกแก่ข้าพเจ้าขอเดชะพระมหาราชข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐยิ่งข้าพระพุทธเจ้าจากนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสวย ชีวิตของก้าพระพุทธเจ้าอย่าเป็นโทษเลยข้าพระเจ้าจะให้พรอย่างเอื่นแก่ท่านท่านอย่าขอพระตถาคตเลยพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะให้แก่ใครได้เปรียบเหมือนแก้วมณีโชติรสขอเดชะพระองค์ทรงบรรลุแล้วไม่ใช่หรือว่ากระทั่งชีวิตที่มีอยู่เมื่อพระองค์ประทานชีวิตได้ก็ควรพระราชทานพระตถาคตได้พระพุทธชินนามหาวีรเจ้าควรวัดไว้ ไม่ผึงให้แก่ใครๆได้เรารับปากให้ไม่ได้ท่านจงเลือกเอาทรัพย์จนนับไม่ท่วนเถิดข้าพระพุทธเจ้าจะต้องถึงการวินิจฉัยพวกเราจะกถามผู้วินิจฉัยผู้วินิจฉัยจกกักตัดสินละเอียดฉันใดพวกเราจักสอบถามข้อนั้นฉันนั้นข้าพระเจ้าจักพระหัตพระราชาพากันไปยังสถานที่วินิจฉัยได้กล่าวคำนี้ต่อหน้าผู้พิพากษาทั้งหลายว่า ขอผู้พิพากษาจงฟังข้าพเจ้าพระราชาได้พระราชทานพรแก่ข้าพเจ้าพระองค์ไม่ยกเว้นอะไรอะไรยอมให้ได้แม้กระทั่งชีวิตเมื่อพระองค์พระราชทานพรแก่ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าตึงขอพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นอันพระราชาพระราชทานแก่ข้าพเจ้าดีแล้วมิใช่หรือท่านทั้งหลายจงตัดความสงสัยของข้าพเจ้าด้วยเถิดผู้พิพาทษาทั้งหลายกล่าวว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะฟังคําของท่านและพระดํารัสของพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายฟังคําของท่านทั้งสองฝ่ายแล้วจักตัดความสงสัยในข้อนี้ได้ขอเดชะพระองค์พระราชาทานทุกสิ่งท่านผู้นี้ถือเอาทุกสิ่งแล้วหรือพระเจ้าค่ะพระองค์ไม่ยกเว้นอะไรอะไรยอมให้ได้แม้กระทั่งชีวิตหรือพระราชาตรัสว่า เราได้รับความลําบากแสนสาหัสนะักจนตลอดชีวิตรู้ว่าผู้นี้ได้รับความทุกข์อย่างหนักจึงได้ให้สิ่งของที่ควรถือเอาไว้ทุกอย่างขอเดชะพระองค์ทรงเป็นผู้พ่ายแพ้ควรจะพระราชทานพระาพระาชทาโคดให้เขาไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตัความสงสัยของทั้งสองฝ่ายได้แล้วขอท่านทั้งสองจงตั้งอยู่ในคํามั่นสัญญาเถิดพระราชาประทับอยู่ณที่นั้นแล ได้ตรัส ก, กับผู้พิพากษาดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพึงให้แก่เราโดยชอบบ้างเราจะได้พระพุทธเจ้าอีกผู้พิพากษาได้กล่าวกับพระพเจ้าว่าท่านทําความดำริของท่านในบริบูรณ์แล้วนิมนต์พระตถาคตให้สวยแล้วพึงถวายเคิรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่พระเจ้าอาณ น, น์ผู้ทรงยศอีกกระถาว่าด้วยการทูลนิมนต์ ข้าพเจ้าไหว้ผู้พิพากษาและถวายบังคมพระเจ้าอาณนจอมกษัตริย์แล้วมีความยินดีปราโมทได้ดเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามโอเะศีเลได้แล้วไม่มีอาสวะถวายอภิวาส ด, ด้วยเสียงกล้าแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจับสุขอพระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์หนึ่งแสนรูป โปรดรับนิมนต์พระองค์เมื่อจะทำจิตของข้าพระองค์ให้ร่าเริงขอจงเสด็จเข้าไปยังนิเวศของข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทูมตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาผู้มีพระจักสุขทรงรู้ความดาริของข้าพเจ้าจึงทรงรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงรับนิมนต์แล้วจึงถวายอภิวาทพระศาสดา มีจิตร่าเริงเบิกบานเข้าไปยังนิเวศของตนการตระเตรียมทานข้าพเจ้าประชุมนิตและอมาตย์แล้วได้กล่าวคํานี้ว่าเราได้สิ่งที่ได้แันยากแล้วเปรียบเหมือนเด็กแก้มณีโชติรสเราจักบูชาพระองค์ด้วยอะไรพระชินเจ้ามีคุณหาประมาณไม่ได้หาใครเปรียบไม่ได้ไม่มีใครเทียบเท่าไม่มีใครเสมอเป็นนักปราด ไม่มีบุคคลเปรียบหาผู้เสมอเหมือนเช่นนั้นมิได้ไม่เป็นที่สองรองใครทรงองค์อาทานรชนอธิการที่สมควรแก่พระพุทธเจ้าเราทำได้โดยยากขอพวกเราจงช่วยกันรวบรวมดอกไม้ต่างๆมาทำมนตดบดอกไม้เถิดนี้ย่อมสมควรแก่พระพุทธเจ้าเถอเป็นการบูชาด้วยสิ่งทั้งปวงข้าพเจ้าใช้ดอกบัวขาบดอกบัวหลวงดอกมะลิ ดอกลำดวนดอกจำปาดอกกากะถิ่งทําให้เป็นมนต์ดกปู่ลาดอาชนะหนึ่งแสไว้ใต้เงาร่มอาชนะของพระพเจ้าอยู่สุดท้ายมีค่าเกินร้อยปู่ลาดอาชนะหนึ่งแสไว้ใต้เงาร่มจัดแจงข้าวและน้ําเสร็จแล้วให้คนไปกราบทูลพัตการเวลาอันสมควรเพื่อฉันพัตาหารเมื่อคนไปกราบทูลพัตการแล้ว พระมหามุนีพระนามว่าปทุมุตระพร้อมด้วยพระอรหันต์หนึ่งแสนองค์ได้เสด็จเข้ามายังนิเวศของข้าพเจ้าร่มกั้นอยู่เบื้องบนในมณฑบดอกไม้ที่บานสะพรัง่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษสูงสุดประทับนั่งพร้อมด้วยพระอรหันต์หนึ่งแสนองค์ข้าพเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุขอพระองค์โปรดทรงรับร่มหนึ่งแสนคัน และอาสนะหนึ่งแสนที่อันสมควรและไม่มีโทษเถิดพระมหามุนีทรงพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาพระองค์ประสงค์จะช่วยเหลือข้าพระเจ้าให้ข้ามพ้นสงสารวัตรจึงทรงรับไว้ท่านเนปาถาข้าพระเจ้าได้ถวายบาตรแก่ภิกษุรูปละหนึ่งใบภิกษุทั้งหลายสละบาตรที่ตนใช้สอยแล้วใช้บาตรเหล็ก พระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในมณฑบดอกไม้ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนเมื่อจะทรงให้สัตว์จำนวนมากตรัสรู้จึงทรงประกาศพระธรรมจักรเมื่อทรงประกาศพระธรรมจักภายใต้มณฑปดอกไม้เทวดาและมนุษย์แปดหมสี่พันได้บรรลุธรรมเมืม่อถึงวันที่เจ็ดพระมหาโมนีพระนามว่าปทุมุตระประทับนั่งอยู่ภายในใต้เงาร่มได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่า พยากรณเราจากพยากรณมานพผู้ที่ได้ถวายทานอย่างประเสริฐไม่บกพร่องแกเราท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดกองทัพสี่เหล่าคือพลช้างพลมา้าพลรถและพลเดินเท้าจากครอมล้อมมานพนั้นเป็นนิดนี้เป็นผลแห่งทานทั้งปวงญาณพานะคือช้างยานพานะคือมา้าคานหามและวอจากบำรุงเขาเป็นนิด นี้เป็นผลแห่งทานทั Wing ้งปวงรถห0พันคันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงจากแวดล้อมเขาเป็นนิดนี้เป็นผลแห่งทานทั้งปวงเครื่องดนตรีหกพันชิ้นกลองที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามจะกขับก ล, ลมเขาเป็นนิดนี้เป็นผลแห่งทานทั้งปวงสาวร 8, ุ่นแปดหมื่นหกพันนางผู้ประดับตกแต่งอย่างสวยงามสวมใส่ผ้าอาภรอย่างงดงาม ค อ, อยต้มหูแก้วมานีมีตากลมโตมีปกติร่าเริงรูปงามเอวเล็กเอวบางจากข้อมล้อมเขาเป็นนิดนี้เป็นผลแห่งทานทั้งปวงเขาจากรื่นรมในเทวโลกสามพันกบจักเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติหนึ่งพันชาติและจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งพันชาติจักเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บูรนับชาติไม่ท่วนเมื่อเขาอยู่ในเทวโลก ร่างพร้อมด้วยบุญกรรมเทวดาจักกั้นฉัดแก้วไว้ที่ขอบเทวโลกเขาจะปรารถนาเมื่อใดหลังคาผ้าและดอกไม้ดังจะรู้ความคิดของเขาจักกั้นอยู่เนืองนิดเมื่อนั้นเขาถูกกุศลมูลตักเตือนจุติจากเทวโลกและประกอบด้วยบุญกรรมจับเป็นบุตรของพราหมณ์ในกลับที่หนึ่งแสนันบจากกลับนี้ไปพระาศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคด ทรงสมพบในราชสกุลโอกากาก ร, ราชจักอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคผู้โคโดมสักยะผู้ประเศรศสริฐทรงทราบความนั้นทั้งหมดแล้วประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่ภิษุจากทรงตั้งไว้ในเอตัพคะเขาจักได้เป็นสาวกมีนามว่าติลินทวชะของพระาศาสดาจากเป็นที่ผู้ที่เทวดาอสูรและคนทันสักกระ เขาจักเป็นที่รักของพิสุพิสุณีและครหัตทั้งปวงอยู่อย่างผู้ไม่มีอาชวะว่าด้วยอนิสงค์ของทานกรรมที่ข้าพเจ้ากระทาแล้วในหนึ่งแสนกลับได้แสดงผลแก่ข้าพเจ้าแล้วในอัฐภาพสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหลุดพ้นดีแล้วดุกความเร็วของลูกศรที่หลุดพ้นไปจากแรงเผากิเลสทั้งหลายได้แล้วน่าปลื้มใจกรรมข้าพเจ้าได้ทาไว้ดีแล้ว ในเนื้อนาบุญอย่างยอดเยี่ยมซึ่งเป็นฐานะที่ข้าพเจ้าทําสักการะแล้วได้บรรลุบทที่ไม่หวั่นไหวก็มานบใดได้ทานอย่างประเสริฐไม่บกพร่องมานบนั้นได้เป็นหัวหน้าคนแรกนี้เป็นผลแห่งทานนั้นอานิสงค์ของการถวายร่มข้าพเจ้าได้ถวายร่มในพระสุคตและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงค์ ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าแปประการคือข้าพเจ้าไม่รู้สึกหนาวหนึ่งไม่รู้สึกร้อนหนึ่งละอองละทุลีไม่แปดเปื้อนหนึ่งเป็นผู้ไม่มีอันตรายหนึ่งไม่มีเสนีย์จันไรหนึ่งชนทั้งหลายยำเกรงทุกเมื่อหนึ่งเป็นผู้มีผิวพรรณละเอียดหนึ่งเป็นผู้มีใจใสสะอาดหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเวียนไหวตายเกิดอยู่ในภพฉัตรหนึ่งแสนคัน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องประดับทุกอย่างกั้นอยู่เหนือศีรษะของข้าพเจ้ายกเว้นชาตินี้เพราะอนุภาพแห่งกรรมนั้นเพราะฉะนั้นในชาตินี้การกั้นฉัดจึงไม่มีแก่ขา้ า, เขาพเจ้าข้าพเจ้ากระทำกรรมทุกอย่างก็เพื่อบรรลุฉาดือวิมติอานิสงของการถวายผ้าข้าพเจ้าได้ถวายผ้าในพระสุคตและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุด แล้วได้รับอนิสงค์ซึ่งสมควรแกตกรรมของขปเจ้าแปดประการคือขปเจ้าเป็นผู้มีผิวพรรณแดงทองหนึ่งปราศจากทุลีปราศจากไฟฟ้าหนึ่งมีรัศมีผ่องใสหนึ่งมีตบะหนึ่งมีร่างกายมีผิวเกลื่เกล่าวหนึ่งเมื่อขปเจ้าเวียน่หวตายเกิดอยู่ในภพก็มีผ้าสีขาวหนึ่งแสนผืนหนึ่งมีผ้าสีเหลืองหนึ่งแสนผืนหนึ่ง มีผ้าสีแดงหนึ่งแสนผืนหนึ่งกั้นอยู่เหนือศีรษะของข้าพเจ้านี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าข้าพเจ้าได้ผ้าไหมผ้ากำพลผ้าป่านและผ้าฝ้ายในที่ทุกแข่งเพราะผลกรรมเหล่านั้นอานิสงส์ของการถวายบาตรข้าพเจ้าได้ถวายบาตรในพระสุคตและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าสิประการ คือข้าพเจ้าบริโภคโภชนาหารในภาชนะทองคําภาชนะแก้วมณีภาชนะเงินและภาชนะที่ทําด้วยทัพทิมทุกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีอันตรายหนึ่งไม่มีเสนียจันไรหนึ่งชนทั้งหลายยําเกรงทุกเมื่อหนึ่งเป็นผู้ได้ข้าวน้ําผ้าและที่นอนเป็นปกติหนึ่งพวกคสมบัติของข้าพเจ้าไม่พินาศหนึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้มีฉิตมั่นคงหนึ่ง เป็นผู้ใคร่ทำทุกเมื่อหนึ่งเป็นผู้มีกิเลสน้อยหนึ่งไม่มีอาสะวะหนึ่งคุณเหล่านี้ติดตามข้าพเจ้าไปทั้งในเทวโลกและในมนุษยโลกไม่ละข้าพเจ้าในที่ทุกแห่งเปรียบเหมือนเงาต้นไม้อา น, นิสงส์ของการถวายมีดข้าพเจ้าด้วยถวายมีดเล็กที่ทำอย่างสวยงามเนื่องด้วยเครื่องผูกอย่างวิจิตรจำนวนมาก แก่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดและแก่สง์แล้วได้รับอนิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าแปดประการคือข้าพเจ้าเป็นผู้กล้าหนึ่งเป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนหนึ่งถึงความสําเร็จในเวสารธรรมหนึ่งเป็นผู้มีปัญญาเครื่องทรงจำหนึ่งมีความเพียรหนึ่งประคองใจไว้ได้ทุกเมื่อหนึ่งได้ญาณอันสุ ข, ขุมเป็นเครื่องตัดกิเลสหนึ่ง ได้ความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเทียมเท่าในที่ทั้งปวงหนึ่งเพราะผลกรรมของข้าพเจ้านั้นอา น, นิสงค์ของการถวายมีดเล็กข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสได้ถวายมีดเล็กอันราบเรียบไม่หยาบขัดถูดีแล้วจํานวนมากในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์แล้วได้รับอา น, นิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าห้าประการคือข้าพเจ้าย่อมได้ปริยานามิตรหนึ่งความเพียรหนึ่ง ขันติหนึ่งศัสต์ราคือไมตรีหนึ่งเพราะตัดลูกสรคือตันหาจึงได้ศัสต์ราคือปัญญาอันยอดเยี่ยมและยานที่เสมอด้วยเพชรหนึ่งเพราะผลแห่งกรรมเหล่านั้นอานิสงค์ของการถวายเข็มข้าพเจ้าได้ถวายเข็มในพระสุคตและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงค์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าห้าประการ เกิเมื่อข้าพเจ้าเวียนว้ายตายเกิดอยู่ในพบน้อยพบใหญ่เป็นผู้ที่มาหาชนอนอบน้อมหนึ่งตัดความสงสัยได้หนึ่งมีรูปร่างงดงามหนึ่งมีผู้ผสมบัตหนึ่งมีปัญญาฉลาดหลักแหลมหนึ่งทุกเมื่อข้าพเจ้าพิจารณาเห็นอัตซึ่งเป็นฐานะละเอียดลึกซึ้งด้วยยานยานของข้าพเจ้าเสมอด้วยยอดเพชรเป็นเครื่องกาจัดความมืดอา น, นิสงของการถวายมีตัดเล็บ ข้าพเจ้าได้ถวายมีตัดเล็บในพระสุคตและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงฆ์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าห้าประการคือข้าพเจ้าย่อมได้ทาชายหญิงหนึ่งโคและม้าหนึ่งลูกจ้างที่เป็นนางฟ้อนรำหนึ่งช่างตัดผมหนึ่งพ่อครัวผู้ทําอาหารจํานวนมากในที่ทั้งปวงหนึ่งอนิสงฆ์ของการถวายพัดใบตาล ข้าพเจ้าได้ถวายพัดใบตาลสวยงามในพระสุคตแล้วได้รับอนิสงฆ์แปดประการซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าไม่รู้สึกหนาวร้อนหนึ่งไม่มีความเร่าร้อนหนึ่งไม่รู้สึกกระวนกระวายที่ทําจิตของข้าพเจ้าให้เร่าร้อนหนึ่งไฟทั้งหมดคือไฟคืราคะหนึ่งไฟคือโทสะหนึ่งไฟคือโมหะหนึ่งไฟคือมานะหนึ่งไฟคือทิฏฐิหนึ่ง ข้าพเจ้าดับได้แล้วเพราะผลกรรมของข้าพเจ้านั้นอานิสง์ของการถวายพัดขนปีกนกยูงและแช่จามอนข้าพเจ้าได้ถวายพัดขนปีกนกยูงและแช่จามอนในหมู่สงฆ์และพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดเป็นผู้มีกิเลสสงบระงับแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินอานิสง์ของการถวายผ้ากรองน้ำเพือธรรมกระก ข้าพเจ้าได้ถวายภาคปรองน้ำเคือธรรมกโหกในพระสุคตแล้วได้รับอนิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าห้าประการคือข้าพเจ้าร่วงพ้นอันตรายทั้งปวงได้หนึ่งได้อายุทิพย์หนึ่งโจรหรือค่าศึกข่มไม่ได้ทุกเมื่อหนึ่งศาสตราหรือยาพิษไม่เบียดเบียนข้าพเจ้าหนึ่งไม่มีความตายในระหว่างไม่ตายก่อนอายุไข่หนึ่งเพราะผลแห่งกรรมเหล่านั้นของข้าพเจ้า อนิสงของการถวายภาชนะน้ำมันเขาพเจ้าได้ถวายภาชนะน้ำมันในพระสุคตและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสง์ซึ่งสมควรแก่กรดำของเขาพเจ้าห้าประการคือเขาพเจ้าเป็นผู้มีรูปร่างงดงามหนึ่งมีความเจริญดีหนึ่งมีใจเบิกบานดีหนึ่งมีใจไม่ฟุ้งซ่านหนึ่งได้รับการคุ้มครองโดยการอารักขาทั้งปวงหนึ่ง อนิสงค์ของการถวายปล่องเข็มเข้าพเจ้าได้ถวายปล่องเข็มในพระสุคตและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงค์ซึ่งสมควรแก่กรรมเข้าพเจ้าสามประการคือเข้าพเจ้าย่อมได้คุณเหล่านี้คือความสุขใจหนึ่งความสุขกายหนึ่งความสุขเกิดแต่อิริยาบถหนึ่งเพราะผลแห่งกรรมนั้นอานิสงค์ของการถวายผ้าอังสะ ข้าพเจ้าได้ถวายผ้าอังสะในพระชินเจ้าและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงฆ์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าสามประการคื่อข้าพเจ้าย่อมได้ความมั่นคงในพระสัทธรรมหนึ่งประลึกชาติได้หนึ่งเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามในที่ทุกแห่งหนึ่งเพราะผลแห่งกรรมนั้นอนิสงฆ์ของการถวายพระคดเอลข้าพเจ้าได้ถวายพระคตเอวในพระชินเจ้า และพระสงค์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสง์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าหกประการคือข้าพเจ้าย่อมไม่หวั่นไหวในสมาธิมีสมาธิแน่วแน่หนึ่งเป็นผู้ชำนาญในสมาธิหนึ่งมีบริวารไม่แตกแยกกันหนึ่งมีถ้อยคําที่เชื่อถือได้ทุกเมื่อหนึ่งมีสติตั้งมั่นหนึ่งไม่มีความสะดุ้งกลัวหนึ่ง คุณเหล่านี้ติดตามข้าพเจ้าไปทั้งในเทวโลกและมนุษยสโลกอา น, นิสง์ของการถวายเชิงรองบาทเข้าพเจ้าได้ถวายเชิงรองบาทในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดเป็นผู้ไม่มีภัยในเพราะวั น, นะห้าและไม่หวั่นไหวด้วยอะไรอะไรท้ามเราได้เ่าหนึ่งมีสติและญาณเป็นเครื่องตรัสรู้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ทำให้ข้าพเจ้าทรงจำไว้ย่อมไม่คลาดเคลื่อนเป็นอันวินิจัยดีแล้วอา น, นิสงของการถวายภาชนะข้าพเจ้าได้ถวายภาชนะสำหรับใส่ของบริโภคในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่สูงสุดแล้วได้รับอา น, นิสงซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าสามประการคือข้าพเจ้าย่อมได้ภาชนะทองคำภาชนะแก้วมณีภาชนะแก้วเพลืก และภาชนะแก้วทัดทิมหนึ่งได้ภริยาได้ท่าชายหญิงผลช้างผลมา้าผลรถผลเดินเท้าและหญิงผู้เคารพนายหนึ่งได้เครื่องบริโภคทุกเวลาหนึง่งวิชาในบทมนไอาคมต่างๆจำนวนมากและศิละปะทั้งปวงเขาพเจ้าย่อมใครไครวนให้เป็นที่ใช้สอยได้ทุกเวลาอานิสงส์ของการถวายขันเขาพเจ้าได้ถวายขันในพระสุคต และในหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงฆ์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าสามประการคือข้าพเจ้าย่อมได้ขันธ์ทองคําขันธ์แก้วมณีขันธ์แก้วเปลืกและขันธ์แก้วทับทิมหนึ่งข้าพเจ้าได้ขันธ์รูปต้นโพ ร, รูปผ ล, ลไม้รูปใบบัวและสังสําหรับดื่มน้ําพึ่งหนึ่งข้าพเจ้าย่อมได้ข้อปฏิบัติในวัดอันงามในอาจาระและกิริยาหนึ่ง ข้าพเจ้าได้คุณเหล่านี้เพราะผลแห่งกรรมนั้นอานิสงค์ของการถวายเพสัตข้าพเจ้าได้ถวายเพสัตในพระสุคตและในหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงค์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าสิบประการเผอข้าพเจ้าเป็นผู้มีอายุยืนหนึ่งมีกําลังหนึ่งเป็นนักปราชญ์หนึ่งมีวั น, นะหนึ่งมียศหนึ่งมีสุขหนึ่งไม่มีอันตรายหนึ่ง ไม่มีจเจนียร์จันไรหนึ่งชนทั้งหลายยำเกรงทุกเมื่อหนึ่งไม่มีความพระพรากจากสิ่งเป็นที่รักหนึ่งเพราะผลแห่งกรรมของข้าพเจ้านั้นอา น, นิสงส์ของการถวายรองเท้าข้าพเจ้าได้ถวายรองเท้าในพระชินเจ้าและในหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอา น, นิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าสามประการคือยานคือช้างยานคือมา้า วอและคานหามหนึ่งรถหก0มืนคันแวดล้อมข้าพเจ้าทุกเมื่อนหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเวียนไหยตายเกิดอยู่ในภพรองเท้าแก้วมณีรองเท้าทองแดงรองเท้าทองคำรองเท้าเงินผูกขครื่องรองรับทุกย่างเท้าหนึ่งบุญกรรมทั้งหลายย่อมช่วยชำระอาจาระคุณให้สะอาดแน่นอนข้าพเจ้าได้คุณเหล่านี้เพราะผลแห่งกรรมนั้น อนิสง์ของการถวายเขียงเท้าเขาพเจ้าได้ถวายเขียงเท้าในพระสุคตและในหมู่สง์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้สวมเขียงเท้าซึ่งสําเร็จด้วยฤทธ์แล้วอยู่ได้ตามปรารถนาอนิสง์ของการถวายผ้าเช็ดน้ำเข้าพเจ้าได้ถวายผ้าเช็ดน้ําในพระสุคตและในหมู่สง์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสง์ซึ่งสมควรแก่กรรมของเขาพเจ้าห้าประการ คือข้าพเจ้าเป็นผู้มีผิวพรรณดุจทองคําปราศจากธุลีหนึ่งมีรัศมีผ่องใสหนึ่งมีตะบะหนึ่งร่างกายมีผิวเกลื่องเกลาหนึ่งฝุ่นละอองไม่ติดร่างกายข้าพเจ้าหนึ่งข้าพเจ้าได้คุณเหล่านี้เพราะผลแห่งกรรมนั้นอา น, นิสงค์ของการถวายไม้เท้าคนแก่ข้าพเจ้าได้ถวายไม้เท้าคนแก่ในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุด แล้วได้รับอนิสงค์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าห้าประการเคยข้าพเจ้ามีบุตรมากหนึ่งไม่มีความสะดุ้งกลัวหนึ่งได้รับการคุ้มครองโดยการอารักขาทั้งปวงใครใคข่มไม่ได้ทุกเมื่อหนึ่งไม่รู้จักความพลังพลาดหนึ่งมีใจไม่ฟุ้งซ่านหนึ่งอนิสงค์ของการถวายยารักษาไข้และยาหยอดตาข้าพเจ้าได้ถวายยารักษาไข้และยาหยอดตาในพระสุคต และในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงฆ์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าแปดประการคือข้าพเจ้าเป็นผู้มีเนตตาโตหนึ่งมีเนตตาสีขาวหนึ่งมีเนตตาสีเหลืองหนึ่งมีเนตตาสีแดงหนึ่งมีเนตตาแจมใสไม่มัวหนึ่งปราศจากโรคตาโดยประการทั้งปวงหนึ่งมีตาทิพย์หนึ่งมีดวงตาคือปัญญาอย่างสูงสุดหนึ่ง ข้าพเจ้าด้วยคุณเหล่านี้เพราะผลแห่งกรรมนั้นอานิสง์ของการถวายลูกกุญแจข้าพเจ้าได้ถวายลูกกุญแจในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้ลูกกุญแจคือยานสําหรับเปิดประตูแห่งธรรมอานิสง์ของการถวายแม่กุญแจข้าพเจ้าได้ถวายแม่กุญแจในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสง์ ซึ่งสมควรแก่กรรมของขพเจ้าสองประการคือเมื่อข้าพเจ้าเวียนไหวตายเกิดอยู่ในภพเป็นคนมีความโกรธน้อยหนึ่งไม่มีความคลับแคลนใจหนึ่งอานิสงค์ของการถวายสายโยกขพเจ้าได้ถวายสายโยกในพระสุคตและในพระสมซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงค์ซึ่งสมควรแก่กรรมของขพเจ้าห้าประการคือข้าพเจ้าย่อมไม่หวั่นไหวในสมาธิหนึ่ง เป็นผู้ชำนาญในสมาธิหนึ่งมีบริวารไม่แตกแยกกันหนึ่งมีถ้อยคาที่เชื่อถือได้ทุกเมื่อหนึ่งผูกสสมบัติย่อมเกิดเมื่อข้าพเจ้าเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในภพหนึ่งอา น, นิสงค์ของการถวายกระบอกเป่าควันไฟข้าพเจ้าได้ถวายกระบอกเป่าควันไฟในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอา น, นิสงค์ ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าสามประการคือข้าพเจ้ามีสติตั้งมั่นหนึ่งเส้นเอ็นต่อเนื่องกันดีหนึ่งได้ที่นอนทิพย์หนึ่งเพราะผลแห่งกรรมนั้นอานิสงค์ของการถวายตัะเกียงข้าพเจ้าได้ถวายตัะเกียงในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงค์ซึ่งสมควรแก่กรำของข้าพเจ้าสามประการ คือข้าพเจ้าเป็นผู้มีตระกูลหนึ่งมีอวัยวะสมบูรณ์หนึ่งมีปัญญาที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญหนึ่งข้าพเจ้าได้คุณเหล่านี้เพราะผลแห่งกรรมของข้าพเจ้านั้นอานิสงค์ของการถวายคนโทน้ำและพระอบข้าพเจ้าได้ถวายคนโทน้ำและพระอบในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงค์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าสิบประการ คือครั้งนั้นเขาพเจ้าเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองหนึ่งพร่างพร้อมด้วยความสุขหนึ่งมียศยิ่งใหญ่หนึ่งมีการดำเนินชีวิตที่ดีหนึ่งมีร่างกายที่ได้สัด ส, ส่วนหนึ่งเป็นสุขุมมารชาตหนึ่งราชจาาเสนิหจจำไรทั้งปวงหนึ่งได้คุณอันภัยบูร์หนึ่งได้รับการยกย่องนับถืออย่างมั่นคงปราชจากความหวาเสียวหนึ่งได้คนโทน้ำและผ อ, อบสีสี และช้างแก้วม้าแก้วหนึ่งคุณของข้าพเจ้าเหล่านั้นไม่พินาศนี้เป็นผลในการถวายคนโทน้ำและผออบอา น, นิสงค์ของการถวายวัตถุขัดสนิมข้าพเจ้าได้ถวายแปลงมือในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงค์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าห้าประการคือข้าพเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยลักษณะทั้งปวงหนึ่ง มีอายุยืนหนึ่งมีปัญญาหนึ่งมีจิตตั้งมั่นหนึ่งมีร่างกายพ้นจากความยากลำบากทุกอย่างในการทุกเมื่อหนึ่งอา น, นิสงค์ของการถวายกันไกเข้าพระเจ้าได้ถวายกันไกที่คมบางซึ่งรับไว้ดีในพระสงฆ์แล้วได้ยานเป็นเครื่องตัดกิเลสซึ่งบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเปรียบปานอานินนสงค์ของการถวายแหน่ ข้าพเจ้าได้ถวายแหนบในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดย่อมได้ญาณเป็นเครื่องถอนกิเลสซึ่งบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเทียบเท่าอานิสงค์ของการถวายญาณัดข้าพเจ้าได้ถวายญาณัดในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงค์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าแปประการคือข้าพเจ้ามีศรัทธานหนึ่ง มีสีหนึ่งมีหิริหนึ่งมีโอตตะ ป, ปะหนึ่งมีสุตตะหนึ่งมีจาคะหนึ่งมีขันติหนึ่งมีปัญญาหนึ่งอานิสง์ของการถวายตังเขาพเจ้าได้ถวายตังในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงค์ซึ่งสมควรแ ก, ก่กรรมของเขาพเจ้าห้าประการคือเขาพเจ้าย่อมเกิดในตระกูลสูง เป็นผู้มีโภคสมบัติมากหนึ่งชวนทั้งปวงยำเกรงข้าพเจ้าหนึ่งชื่อเสียงของข้าพเจ้าฟุ้งผจรไปหนึ่งบรรลังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อม้อมล้อมข้าพเจ้าเป็นนิดตลอดหนึ่งแสนกับหนึ่งยินดีในการจำแนกทานหนึ่งอา น, นิสงส์ของการถวายฟูข้าพเจ้าได้ถวายฟูกในพระสุคตและในพระสมซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุด แล้วได้รับอนิสงฆ์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าหกประการคือข้าพเจ้ามีร่างกายสมส่วนที่บุญกรรมก่อให้เป็นผู้อ่อนโยนมีรูปงามน่าดูหนึ่งข้าพเจ้าย่อมได้ยานอันประเสริฐหนึ่งนี้เป็นผลแห่งการถวายฟูกข้าพเจ้าย่อมได้ฟูกที่ยัดด้วยนุ่นอันวิจิตรด้วยรูปตราต่างๆมีรูปราชสีและเสือโคร่งเป็นต้นด้วยผ้าไหม แกมดินที่ปักเพชรพลอยหนึ่งผ้าป่านอย่างดีและผ้ากำพลต่างๆจํานวนมากหนึ่งได้ผ้าปาวาระที่มีขนอ่อนนุ่มผ้าทําด้วยขนสัตว์อ่อนนุ่มในที่ต่างๆหนึ่งนี้เป็นผลแห่งการถวายฟูเมื่อใดขา้าพเจ้าระลึกถึงตนเมือ่อใดขา้าพเจ้าเป็นผู้รู้เดียงสาเมื่อนั้นขา้าพเจ้าเป็นผู้ไม่เปล่ามีชานเป็นเตียงนอนหนึ่งนี้เป็นผลแห่งการถวายฟู อนิสงค์ของการถวายหมอนเขาพเจ้าได้ถวายหมอนในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงค์ซึ่งสมควรแก่กรรมของเขาพเจ้าหกประการคือเขาพเจ้าใช้หมอนที่ยัดด้วยขนสัตว์หมอนที่ยัดด้วยเยสรน์โบหลวงและหมอนที่ยัดด้วยจุนจันแดงหนุนศีรษะของเขาพเจ้าทุกเมื่อหนึ่งเขาพเจ้าทำยาเนี่ยเกิดในอัฐถังคิกรมักอย่างประเสริฐ และในสามัญญผลสี่เหล่านั้นอยู่ตลอดการเป็นนิดหนึ่งเขาพระเจ้าทรมญาใี้เกิดในทานธรรมะสัญญะอปมัญญาและรูปฌานเหล่านั้นอยู่ตลอดการทั้งปวงหนึ่งเขาพระเจ้าทรรมญาให้เกิดในวัดคุณการปฏิบัติอาจาระและกิริยาอยู่ตลอดการทั้งปวงหนึ่งเขาพระเจ้าทรรมญาทีเกิดในการจงกรมในความเพียรที่เป็นประธาน และในโพธิปักคียธรรมเหล่านั้นอยู่ตามปรารถนาหนึ่งาพระเจ้าธรรมญาณนี้เกิดในศีลสมาธิปัญญาวิมุตตและในวิมุตติญาณทัศนะเหล่านั้นแล้วอยู่เป็นสุขหนึ่งอานิสงค์ของการถวายตั่งแผ่นกระดานข้าพระเจ้าได้ถวายตั่งแผ่นกระดานในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงค์ ซึงสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าสองประการคือข้าพเจ้าได้บรรลังอย่างประเสริฐทําด้วยทองทําด้วยแก้วมณีหนึ่งและทําด้วยนาช้างจํานวนมากหนึ่งนี้เป็นผลแห่งการถวายต่างแผ่นกระดานอานิสง์ของการถวายต่างวางเท้าข้าพเจ้าได้ถวายต่งวางเท้าในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสง์ เรื่สมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าสองประการคือข้าพเจ้าย่อมได้ยานพานะจํานวนมากหนึ่งนี้เป็นผลแห่งการถวายต่างวางเท้าทาตหญิงชายพัญญาและคนผู้อาศัยเหล่าอื่นบํารุงบําเรอข้าพเจ้าโดยชอบหนึ่งนี้เป็นผลแห่งการถวายต่างวางเท้าอานิสงค์ของการถวายน้ํามันทาเท้าข้าพเจ้าได้ถวายน้ํามันทาเท้าในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ ซึ่งเป็นหมู่คณะที่เประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าห้าประการคือข้าพเจ้าไม่มีความเจ็บไข้หนึ่งมีรูปงามหนึ่งมีเส้นประสาทรับรสได้เร็วหนึ่งได้ข้าวและน้ำหนึ่งมีอายุยืนเป็นคำรบห้าอานิสงส์ของการถวายเนยใสยและน้ำมันข้าพเจ้าได้ถวายเนยใสยและน้ำมันในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงค์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าห้าประการคือข้าพเจ้าเป็นคนมีกำลังแข็งแรงหนึ่งมีร่างกายสมบูรณ์หนึ่งเป็นคนร่าเริงทุกเมื่อหนึ่งมีบุตรได้ทุกเมื่อหนึ่งและเป็นคนไม่เจ็บไข้ทุกเมื่อหนึ่งนี้เป็นผลแห่งการถวายเนยใจและน้ามันอานิสงค์ของการถวายน้าบูานปาก ข้าพเจ้าได้ถวายน้ำบูนปากในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงฆ์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าห้าประการคือข้าพเจ้าเป็นผู้มีลำคอบริสุทธิ์หนึ่งมีเสียงไพเราะหนึ่งปราศจากโรคไอหนึ่งปราศจากโรคหืดหนึ่งกลิ่นดอกอุบลฟุ้งออกจากปากของข้าพเจ้าทุกเมื่อหนึ่งอนิสงฆ์ของการถวายหนมส้ม ข้าพเจ้าได้ถวายนมส้มอย่างดีในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดได้บริโภคอมตะพัดเคื่อกายคตาสติแอนประเสริฐอา น, นิสงค์ของการถวายน้ำผึ้งข้าพเจ้าได้ถวายน้ำผึ้งที่มีสีกลิ่นและรสในพระทินเจ้าและในหมู่สงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้วได้วิมุติรสที่ไม่มีรสอื่นเปรียบปาได้ไม่เป็นอย่างอื่น อานิสงค์ของการถวายรถเขาพเจ้าได้ถวายรถตามเป็นจริงในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับผลสี่ประการซึ่งสมควรแก่กรรมของเขาพเจ้าอานิสงค์ของการถวายข้าวและน้ำเขาพเจ้าได้ถวายข้าวและน้ำในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงค์ ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าสิบประการคือข้าพเจ้าเป็นผู้มีอายุยืนหนึ่งมีกาลังหนึ่งเป็นนักปราชญ์หนึ่งมีวันณะสวยงามหนึ่งมียศหนึ่งมีสุขหนึ่งเป็นผู้ได้ข้าวหนึ่งเป็นผู้ได้น้ำหนึ่งเป็นคนกล้าหนึ่งเป็นผู้มีปัญญาหนึ่งข้าพเจ้าเวียน่หวตายเกิดอยู่ในภพได้คุณเหล่านี้อานิสง์ของการถวายทู่ ข้าพเจ้าได้ถวายทูปในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงฆ์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้าสิบประการคือเป็นผู้มีกลิ่นตัวหอมฟุ้งหนึ่งมียศหนึ่งมีปัญญาไวหนึ่งมีชื่อเสียงหนึ่งมีปัญญาเฉียบแหลมหนึ่งมีปัญญากว้างขวางหนึ่งมีปัญญาร่าเริงหนึ่งมีปัญญาลึกซึ้งหนึ่งมีปัญญาภัยบูรหนึ่ง มีปัญญาแล่นไปเร็วหนึ่งเพราะผลแห่งการถวายทูบนั้นเทพเจ้าเวีนวยนไหวตายเกิดอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ได้บรรลุนิพพานซึ่งเป็นสันติสุขในการบัดนี้อา น, นิสงฆ์ทั่วๆ่วไปกิเลสทั้งหลายเทพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเทพเจ้าก็ถอนได้แล้วเทพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ ดุดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการทิเข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญยาหเข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าเขาได้ทําสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปิลินทวัชทะเถระได้พาสิกถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ปิลินทวัชทะเถราประทานที่หนึ่งจบ